เทศวันที่ยี่สิบกุมภาพันธ์สองพันหรอเจ็ดณวัดป่าบ้านตากจังหวัดอุดรธานีที่ท่านสาวไว้ว่าบ่อแห่งความกังวลก็คือเรื่องของเรานี่ มันกังวลดีแบบที่เราถามกัน น, นี่ล้วนแล้วออกจากความสงสัยทั้งนั้นจะไปก็สงสัยจะมาก็สงสัยอยู่ก็สงสัยเกิดก็สงสัยตายก็สงสัยแต่ก็คน้นจิตผู้รับภาระไปไม่ได้ตัวเองก็เป็นผู้สงสัยแต่ภาระทั้งหมดก็มารวมอยู่ที่ผู้สงสัย นั้นท่านจงสอนให้พยายามแก้ไขตนเองโลกกว้างแคบไม่เป็นปัญหาอะไรไม่เหมือนหัวใจที่คับแคบต่อตนเองดวงใจถ้ามีความคับแคบต่อตนเองแล้วชีวิตจิตใจก็รู้สึกว่าคับแคบลงด้วยกันโลกแสนกว้างก็คับแคบเข้ามา สิ่งของเงินทองมีมากมีน้อยก็กลายเป็นของคับแคบเข้ามาทุกๆสิ่งที่เคยเกี่ยวข้องกันกลายเป็นของคับแคบเข้ามาด้วยกัน ต, ตามๆกันกับดวงใจดวงนี้คนที่ตัดสินใจในทางที่คิดถึงฆ่าตัวตายก็เพราะความคับแคบของใจ เมื่อเป็นทั้นนั้นเราควรจะสนใจในต้นปัญหาที่ทำให้โลกกว้างแสนกว้างคับแคบเข้ามาทำชีวิตจิตใจของเราซึ่งเป็นของมีคุณค่าให้เป็นของคับแคบเข้ามามพยายามแก้ไขสอดสอง มองดูทางมาของตนไม่มีทางมันมาไม่ได้ไปไม่ได้ไม่มีฐานไม่มีที่ก็อยู่ไม่ได้จิตนี้ไม่มีกรรมก็อยู่ไม่ได้มาก็ต้องกรรมพามาอยู่ก็ต้องกรรมพาอยู่ไปก็ต้องกรรมพาไปเพราะกรรมอยู่กับหัวใจผลของกรรมก็อยู่กับดวงใจ เรื่องดีเรื่องชั่วจริงไม่นอกจากเรื่องของใจเรื่องสุขเรื่องทุกทุกอย่างจึงรวมอยู่ที่นี้เพราะนี่เป็นศูนย์กลางของโลกเป็นศูนย์กลางของธรรมเป็นศูนย์กลางของความดีความชั่วสุขทุกเป็นศูนย์กลางของความโง่ความเจาลหทุกอย่างรวมอยู่นี่หมดใจจึงเป็นเจ้าปัญหาสำคัญในบุคคลแต่ละลายละ ได้ที่มีความพยายามคลี่คลายปัญหาสิ่งมีอยู่กับตัวให้ค่อยเบาบงลงไปโดยอุบายวิธีผู้นั้นก็จะรอดจากปัญหาไปได้เป็นชั้นๆความคิดก็เป็นกรรมอันหนึ่ง ออกมาสู่ทางนอกก็เป็นการพูดการจาเป็นก ร, รมออกมาเป็นชั้นๆจิตผู้เคยท่องเที่ยวไปมาหาสู่ในโลกนี่เป็นเวลานมนาน เหตุใดจึงไม่รู้ร่องรอยของตนที่มาที่ไปที่อยู่นี่สำคัญพระพุทธเจ้าก็ไม่จจรทราบว่าจะตรัสธรรมบทใดลงไปที่จะให้สมกับเรื่องของใจที่โง่ต่อตัวเองถึงขนาดนี้จงึงตรัสว่าอวิชชาที่โง่ต่อเรื่องของตัว ที่เป็นมาขนาดไหนไม่ทราบทั้งนั้นทางกรรมนั่นสั่งสมทุกวันทั้งดีทั้งชั่วผลจึงเป็นเครื่องสืบต่อกันเป็นลำดับทั้งดีทั้งชั่วสับสนปนเปนกันไปภายในใจดวงนี้ อธิบายเรื่องมาคบูชาตามสติกำลังความสามารถเท่าที่จำได้บางให้มนรราท่านผู้ฟังทั้งหลายให้ทราบเบื้องต้นแห่งมาคบูชาปรากฏขึ้นจาก พระอระหันต์พันสอง้อยห้าสิบองค์ที่ได้เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยไม่ได้รับอาราธานาต่างท่านก็ต่างมาพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงวิสิทธิธธ์อุโบสถให้บรรดาสาวกอรหันต์เหล่านั้นฟังรวมหัวใจแห่งพระศาสนาลง ย, ย่อว่าสัพพภปะ ป, ปะสะอาการะนังการไม่ทำบาปทั้งปวงหนึ่งสจิตตะปริโยตะโยระปะอากุศรสู้ประร้มปะดาการยังกุศลคือความฉลาดให้ถึงพร้อมนสจิตตะปริโยรปะนังการทำจิตทังตนให้ผ่องใส เอตังพุทธานศสาสนังนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอนุปวาโดการไม่กล่าวลาแต่บุคคลผู้อื่นให้รับความเสียอกเสียใจอนุปคาโตไม่เบียเดเบียนและทำลายคนอื่นหรือสัว์อนให้รับความดดดลอนหรือเสียหายไป ปาติโมเคจะสร้างวรูให้สังรวมอยู่ในพระโอวาทที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้แล้วอย่างไรประจําเพศของตนหนึน่งมัตตันยุตาจพะพาตัดน้เป็นผู้รู้จักประมาณในการขบการฉันหนึง่ง ปันตังจะเสนนาสนางังให้เป็นผู้ยินดีในที่นอนที่นั่งอันสงัดอธิกิเจจะอาโยโคประกอบจิตใจของตนให้มีความยิ่งขึ้นไปเป็นลำหนักนะเอตังบุทานส า, าสนางังนี่ก็เป็น คำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอีกเหมือนกันมีหัว ข, ข้อธรรมย่อๆเป็นธระโอาวาทของพระพุทธเจ้าทุกๆอ ง, องค์ได้สั่งสอนสาวกและบริษัททั่วๆไปตามแต่จริตนิสัยมาเป็นลำดับจนถึงพระพุทธเจ้าของเรา การไม่ทำบาปทั้งปวงไม่ไม่ว่าบาปประเภทใดแต่โอวาทข้อนี้นะ่ในขณะนั้นสอนบรรดาสาวแสดงให้บรรดาสาวบกกราาำทั้งหลายฝั่งการยังความฉลาดกุศลให้ถึงทอม คนเราไม่มีความฉลาดก็ไม่สามารถจะได้ความสุขความเจริญหรือสมบัติมาเป็นเจ้าของต้องขึ้นอยู่กับความฉลาดผูดำเนินการคลองขี้ก็ต้องฉลาดเป็นคนโง่ก็ไม่ทันเขาไม่ว่าการงานชนิดใดต้องอาศัยความฉลาดรอบครอบอยู่ในงานนั้นๆจึงจะได้ผลเท่าที่ควร ความฉลาดได้ด้อยไปเสียผลก็ต้องด้อยไปทำนองเดียวกันการแม้ทำบาป ก, ก็ท่านผู้ฟังทั้งหลายก็คอทราบแล้วเพราะปัญหาทั้งหมดที่เราได้ถามกันนี่ก็ดีและเราได้ปฏิบัติต่อพระศาสนามาเป็นเวลานานก็ต่างก็ทราบกันแล้วว่าบาปเป็นยังไงบุญเป็นยังไงจึงไม่อธิบายมากมาย การทำหนาจิตทั้งตนให้ผ่องใสนี่เป็นรังแห่งความสุขหรือเป็นจุดสำคัญแห่งความสุขรวมอยู่ที่จิตใจมีความผ่องใสถ้าจิตใจมีความมัวหมองหรือเดือดร้อนแล้วเราจะอยู่ในปราสาทเจ็ดชั้นก็เจ็ชั้นเพียงปราสาทแต่ใจของเราก็ร้อนเหมือนไฟมีสมบัติภระสถานมากน้อยไม่เป็นบัญาใจมีความเบิกบอนแล้ว ท่านจึงสอนให้ทำใจให้เย็นเมื่อใจมีความเยือกเย็นแล้วสมบัติทั้งหลายมีมากน้อยเป็นคุณด้วยกันทั้งนั้นเป็นประโยชน์สาหรับเรามาจะนำไปใช้อะไรก็ได้ผลได้ประโยชน์เรากผู้เป็นเจ้าของได้รับความสุขความจเจริญถ้าใจมีความเดือดร้อนสิ่งทั้งหลายก็เริ่มจะ ก, กลายเป็นโมค้าขึ้นมาภายในบุคคลผู้เดือดร้อนนั้นท่านเดือดร้อนจนไปจนถึงกับเสียจริต ผิดคนธรรมดาไปแล้วกลายเป็นบอเป็นบ้าไปแล้วสมบัติทั้งหลายก็เริ่มจะเป็นโมฆะไปหมดนะทินและยิ่งตายไปเสียแล้วก็กยิ่งเป็นโมฆะร้อยเปอร็นี่ิ่งขึ้นอยู่กับหัวใจดวงเดียวท่า น, นต้องพยายามอบวงใจให้อยความสงบเชือ่อจรินอย่าเห็นสิน่งใดว่าเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าตัวของเราย่นเข้าไปอีกว่ายิ่งกว่าหัวใจดวงนี้ ถ้าเห็นสิ่งอื่นมีคุณค่ายิ่งกว่านี้จนลืมจุดสำคัญแล้วนั่นแหละพิิอาจจะกลายเป็นเสียงเซ็ดเท้าแห่งสิ่งทั้งหลายถึงกับทําตัวให้เสียไปได้เพราะสิ่งนั้นๆก็ได้คำว่ากูจะสู้ประสัมประดาก็คือให้ฉลาดรอบรู้ว่าสิ่งใด ที่เป็นต้นแห่งคุณค่าทั้งหลายเฉพาะเรื่องของเราก็คือใจเป็นของมีคุณค่าเราจะแสวงหาสิ่งใดมาเป็นเครื่องเยียวยารักษาก็เพื่อจะมาบำรุงของที่มีคุณค่านี้แต่เราอยากทําจนเลยเถิดจนถึงกับว่าสิ่งทั้งหลายนั้นกลายเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าธรรมชาตินี่เสียแล้วมองข้ามไปมจะหาจุดความสุขไม่ได้ ภายนอกก็เป็นของจำเป็นภายในก็เป็นของจำเป็นในเมื่อเราได้ทราบชัดว่าต่างสิ่งต่างเป็นของมีคุณค่าโดยความรอบครอบแล้วอนุประวาโดก็หมายถึงเป็นสุภาษิตสุภาษิตคำพูด ท, ที่นิ่มนวลอ่อนหวาน ไเะเพราะจิดเพราะใจแก่ผู้ได้ยินได้ฟังอนุปคาโตจากการเียดเยียนและทําลายเขาให้ร่มจมลงไปจากชีวิตจิตใจสัต์แต่ละตัวละตัวคนแต่ละคนละคนเมื่อมีชีวิตครองตัวอยู่เขาย่อมมีคุณค่าในตัวของเขาเมื่อได้ทําลายเขาลงไปเสียคุณค่าของเขาก็ลดความสุขของเขาก็ลด ดีไม่ดีก็ถึงกิบหายไปเนื่องจากการทำลายของเราตัวของเรามีคุณค่าแค่ไหนมีความรักตัวแค่ใดเขาก็ย่อมมีความรักตัวของเขาแค่นั้นแม้ที่สุดจะเป็นมดตัวเล็กๆ เ, เขาก็มีคุณค่าสำหรับตัวของเขาปาติโมเชจะสร้างโมโลเราได้รักษาศีลประเภทใด ก็ขอให้ทั้งรวมในศีลของตนผู้รักษาชิ้นสิบสองยีเจ็ก็ทั้งรวมตามหน้าที่ของตนผู้รักษาชิ้นแปดชิ้น้าการใดสมัยใดก็โปรดได้รักษาให้มีความเบิกบูรณาตามการที่ตนได้สมทานวิปอธิษฐานเอาไว้ถ้ายินในรักษาให้มากเข้าไป จนเป็นมิจศาสิในสินห้ายิ่งก็ยิ่งเป็นการดีไม่เป็นของที่จะขาดคุณศู์คุณงามความดีไปเพราะการรักษาสีและไม่เป็นผู้ล่มจมไปจากสมบัติทั้งหลายทั้งปวงเพราะการรักษาสินห้าเพียงเท่านี้มัตตันดุตาจัผััตตดมิง เราก็รู้จักประมาณในการจับจ่ายใช้สอยในครอบครัวของเราผู้อยู่ครอบครัวไม่เพียงแต่สอนแต่พระเพราะว่าปากท้องไม่มีแต่พระคารวาสญาโยมก็มีเหมือนกันคนที่มีความชื้นรุ่ิรา่าจนเกินตัวนั้นเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนเพราะไม่รู้จักประมาณในการจับจ่ายใ้ทรัพเพื่ออาหารการบริโภคเคื่องใช้เครึ่งไม้สร้อยต่างๆท่านจึงกล่าวไว้ว่าอารักษสัมปทาเบื้องต้นก่อน อุท a n นสัมปทาให้มีความขยันหมั่นเพียรเพราะศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้คนเจลียดานแต่สอนให้คนมีความขยันหมั่นเพียรในการงานที่ชอบซึ่งจะเป็นผลประโยชน์จากตนและคนอื่นเท่านั้นเศรษฐกิจถ้าขาดความเพียรแล้วจะเป็นเศรษฐกิจที่จเจริญรุ่งเรืองไปไม่ได้บ้านใดเมืองใดที่มีเศรษฐกิ จ, จเจริญรุ่งเรืองก็เพราะความขยันหมั่นเพียรเป็นหลักฐานสําคัญเป็นเครื่องประกันไว้ เมื่ออุทาหรณ์ัำปทาเป็นผู้สแสวงทับสมบัติมาได้โดยการโดยความชอบธรรมจากกิจการงานนั้นๆแล้วอารักษส์สำปทาก็ให้ถึงพร้อมโดยการรักษาควรจับจ่ายใช้สอยเพราะเหตุแห่งนี้แห่งแห่งความจำเป็นมากน้อยเท่าไหร่เราต้องกำหนดดูความจำเป็นแล้วกระจายทรัพไปเท่าที่ความจำเป็นมีขึ้นมาเราจะให้นิสัย เป็นของจําเป็นมากกว่าเหตุการณ์ที่แสดงขึ้นมาถ้าจะปล่อยให้นิสยัยมีความจําเป็นมากกว่าแล้วคนคนนั้นจะมีความจําเป็นตลอดวันเพราะเคยชินการจัดจ่ายใช้สอยดูวยความซุบซิ้วไลจนกลายเป็นนิสัยที่ไม่มีฝาปิดเปิดทั้งวันทั้งคืนเงินได้มาตั้งล้านล้านก็ไม่กี่วันศูนย์หายไปเหมือนกับว่ามีปิดนั่นแหละ น, นี่คือขาด ความรู้จักประมาณคนที่รู้จักประมาณต้องจับจ่ายช้สอยในสิ่งที่จาเป็นเท่านั้นถ้าไม่จาเป็นแม้จะอยากต้องการอยากซื้อก็ไม่ซื้อเพราะเห็นว่าไม่จาเป็นซื้อมาแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์นอกจากจะเสียทรัพย์ที่มีคุณค่าซึ่งเราหามาได้บ้วยกำลังเลี่ยงแรงของเรา ยิ่งสมัยทุกวันนี้สิ่งแวดล้อมมีมากมายเงินไหลออกจากกระเป๋าวันหนึ่งไม่ทราบเท่าไหร่เหมือนกับน้าไหลอันนั้นก็จําเป็นอันนี้ก็จําเป็นมีจําเป็นไปเสียทุกล่านส่วนที่จะจําเป็นในการเก็บทรัพย์ไม่มีมีแต่จาเป็นในการจ่ายได้มาเท่าไหร่ก็จ่ายไปเพราะเรา่เป็นมหาโชนต้นเรายิ่งกว่ามหาชนเอนที่จะมาต้นเรา เก็บไว้ที่ไหนเราก็รู้เราเป็นคนเก็บเองเอาไปฝากในคลังเราก็เป็นคนไปฝากเองแล้วก็ไปเบิก อ, ออกมาได้จ่ายไปเป็นหมดนี่ถ้าความมารู้จับ ป, ประมาณและความเคยคินของใจที่รั่วประทางนี้มากแล้วต้องเป็นเช่นนั้นเป็นเทศข้าสังหารทรัพ ส, สมบัติของตนเกลี้ยงไปหมดยิ่งกว่ามหาโจรใสอี ยินว่าโจรผู้ร้ายป้นบ้านไหนเมืองใดก็รู้สึกเดือดร้อนวุ่นวายกลัวกันจนตัวสันแต่เราเป็นโจรเป็นผู้ร้ายป่นเราจะเพราะอำนาจของความไม่รู้จักประมาณซึ่งเกิดมาจากความอยากมันเกินตัวนั่นมากมายิ่งกว่าโจ น, นี่คือความไม่รู้จักประมาณในธรรมบทนี้ถ้าเป็นผู้รู้จักประมาณแล้วมีมากมีน้อยก็พออยู่พอกินพอเป็นพอไป เพราะถือความจําเป็นเป็นเหตุคนที่ถือความจำเป็นเป็นเหตุนั่นคือคนมีหลักธรรมเรียกว่ามัตตันยุตาปันปัญจชะยานาชน น, งนังทัานหมายที่นั่ ง, ท, งที่นอนอัศรัตน์เป็นมากเพรเกี่ยวกับนักบวชถ้าเราเวลาบําเพ็ญเราก็ต้องการเช่นนั้นเหมือนกันเพราะสถ า, านที่อื่นกระเดิดนะฮความเพลิดความเ พ, มเพลินเราก็เคยผ่านมากับโลกเขาแล้วเพราะเราก็เป็นโลกคนหนึ่ง เขาดูอะไรเห็นอะไรเราก็มีก็ดูเหมือนเขาดูผ่านมาแล้วไปยังไงบ้างในกติเครื่องเกินใจอะไรหรืได้แต่ความเพลิดเพลินนอกจากทรัพย์สมบัติเสียไปแล้วน้ําใจของเรานิสัยของเรายัางเสียไปเพราะสิ่งเหล่านั้นอีกเราก็ได้ไข้ขวนมาแล้วเพราะวถึงวัยนี้แล้วเป็นวัยที่ไข้ขวนไม่ใช่วัยที่จะเพลิดเพลินไปโดยทายเดียเราก็พยายามมุ่งหาความสงบเป็นหนังบรรดาทุกๆุกท่านไทยอุตสาหมาจากสถานที่แห่งไกล เสียทั้งเว ล, เวลาเสียทั้งการงานเสียทั้งทรัพสมบัติไม่มีความเสียดายอุตสาห์ฝากบัญหันหน้ามาขอจะให้เลยเป็นไปตามอัตธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้เชื่อมันในภายในจิตใ จ, จแล้วอะไรจะหมดก็หมดยังก็ยังนะไม่เช่นนั้นก็มาไม่ได้จึงขอขอบคุณในอนุโมทนาบรรดาทุกๆท่านถ้หาหากว่าพระพุทธศาสนาจะมีดังท่านทั้งหลายที่พาดำเนินอยู่นี้ เป็นไปจำนวนมากแล้วศาสนาพุทธของเรานี้จะมีความเจริญไม่ใช่ในน้อยนอกจากผู้ศาสาานาจะเจริญแล้วประชาชนพลเมืองที่ได้เดินจุดตามมังเราจุดท้ายภายหลังก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมเช่นเดียวกับที่เราได้พาดำเนินอยูน่ยนบัดหนึ่งคำว่าที่นั่งที่นอนอัตังัดนั้นในธรรมบทนี้หมายถึงผู้บาเพ็ญธรรม เพื่อจะได้เห็นความเคลื่อนไหวของใจโดยชัดเจนพราะอยู่ในสถานที่ออ ก, กระเดื่อเพฮาเสียงนั้นเป็นเครื่องรบกวนและมาครอบจิดองใจของเราไม่อาจสามารถจะรู้เรื่องของตัวเองทั้งที่เป็นส่วนอยากส่วนกลางส่วนละเอียดใต้ดังนั้นท่านจึงสอนให้หาที่สงัดดีเวจะอยู่ก็ให้สงัดจะเดินจะไปไหนมาไหนก็ให้อยู่ ในบริเวณคือสถานที่อันสงดจิตใจที่มีความรู้สึกอยู่กับตัวเองนั้นในเมื่อไม่มาไม่มีสิ่งมารบกวนหรือมาครอบไว้แล้วก็จะรู้สึกในความรู้สึกของตัวเองเด่นชัดขึ้นโดยลำดับจนปรากฏว่าหมดทั้งตัวนี้มีแต่ความรู้เท่านั้นเด่นอยู่ น, นี่ก็อาศัยความสงบความสงบภายนอก เป็นบาตรฐานที่ให้เกิดความสงบภายในเมื่อความสงบภายในปรากฏขึ้นมาความรู้สึกของตัวเป็นอย่างไรคิดไปทางที่ดีที่ชั่วสามารถจะรู้ได้ในกระแสของใจที่คิดไปคิดมาพอกระเพื่มขึ้นมามากน้อยต้องรู้เท้อใจมีความสงบแล้วเหมือนกับน้ําที่มีกำลังนิ่งอาจจะมองเห็นเงา สร่างษภายนอกแล้วก็มาสงัดภายในออกจากสงัดภายในแล้วก็สงัดจากกิ่เล็ทั้งหลายได้คือสร่างษคว่าสร่างษภายในนี้เป็นความกว้างทิ่เล็ดมีความสงบเข้าไปก็เรียกว่าสงัดเลยจากทิ่เล็มันสงัดลืมหมดสิ้นไปแล้วนั่นก็ตายเป็นสุปทิวิเวคคือสร่างจากทีเล็ดเดียวเดียว ต่อเนื่องกันมาอย่างนี้เมื่อเราได้ดูในสถานที่สงัดอย่างนั้นเราจะประกอบอธิจิตคืออธิจิตเจีจาโยโคก็เป็นความสะดวกสบายประกอบได้ง่ายฟังท่านว่าอธิจิตตามธรรมดาของจิตที่ไม่ได้อบรมไม่มีความยิ่งภายในตัวเองอย่างมากก็ทรงไห ว, ไวเท่านั้นเพราะนั้นก็ต่ําลงไปต่ําลงไป ถารอาศัยสถานที่และการอบรมให้เหมาะสมแล้วจิตก็จะมีความเจริญขึ้นไปเป็นลำดับนั่นแหละท่านเรียกว่าจิตยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับยิ่งขึ้นจนสุดยอดเหมือนพระราหัหทันสองร้อยห้าสิบองค์ที่พระพุทธเจ้าทรงประทานโพวาตไว้มาขะเดือนสามนั้นเป็นทั้งแหล จากนั่นมาก็เราทั้งหลายก็ถือว่าเป็นคติตัวอย่างสักการะบูชาและลึกถึงองค์ของท่านแม้จะปรินิพานแลว้วก็ตามก็เป็นเพียงรูปกายเท่านั้นส่วนคุณธรรมยังเป็นเครื่องสักดิสิทธิพิเศษสามารถที่จะยังผู้มีความน้อมหรือประพฤตปฏิบัติตามให้รับผลโดยไม่มีการขาดตกบกพร่องไปแม้แต่น้อย เมือเราเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรอุตสาห์พยายามบำเพ็ญตนอยู่เสมออบรมจริตใจของเราให้มีความยิ่งขึ้นไปเป็นลําดับลําับคือยิ่งจากขั้นนี้ยิ่งจากขั้นนั้นขึ้นไปขึ้นไปขั้นนั้นขั้นนั้ น, น, น, นเป็นลําดับลําดับก็จะกลายเป็นจิตที่จริญยิ่งเหมือนอย่างจิตพระพุทธเจ้าและสาวกบาลานทั้งหลายนั่นท่านผู้พ้นจากภัย จากเครื่องกดท่วงจิตใจถึงแดนแห่งพระนิพพานเรียกว่าอันปาที่เสสันิพพานดับธาตุขันธ์ซึ่งเป็นภาระในคราวมีชีวิตอยู่แล้วเป็นอันว่ามีความถูกสมบุญอย่างเต็มที่ วันนีขออธิบายธรรมะเราะหกเื่องตอนี้ให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายจึงขอยจิตธรรมเทศนาเพีองตรงนี้เอา